เกงตัวใหม่นะจากพี่สาวตอนที่เห็นนี่ก็ดีใจมากเลยเพราะว่ากางเกงก็ทรงดีเนื้อผ้าก็ดีแต่พอใส่แล้วเนี่ยชายหนุ่มก็บอกว่าเนี่ยมันหลวมที่ดีใจนี่ก็สึกเสียใจเลยรู้สึกผิดหวังวก็บนน่นนยก็ปอกก็ตายนั่นแหละว่า อองเกงมันหลวมก็บนให้พี่สาวฟังเดินนาวว่าเนี่ยซื้อยังไงเนี่ยทำไมไม่ซื้อให้มันดีกว่านี้แม่ได้ยินก็เลยบอกลูกชายว่าเนี่ยอองเกงมาเสร็จ แ, แล้วแม่ก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยสองสามชั่วโมงได้นะเสร็จ แ, แล้ว กลับมาก็นะยืนกางเกงให้ลูกชายบอกว่าเนี่ยลองใส่ดูซิว่ามันพอดีหรือยังลูกลองสวมดูก็เออพอนนี้ยิ้มเลยนะพอดีแล้วครับแม่ขอบคุณแม่นะขอบคุณที่แม่นะไปช่วยแก้กางเกงให้มันพอดีกับตัวเขาที่จริงแม่ไม่ได้ทำอะไรนะ แม่ก็เพียงแต่เอาเกงไปแล้วก็เก็บไว้แล้วก็พอสองสามชั่วโมงต่อมาก็เอามาคืนให้ลูกแต่ลูกเนี่ยเข้าใจว่าแม่เนี่ยเอาเกงไปแก้พอคิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อสวมกางเกงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันพอดีที่จริงกางเกงก็ตัวเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย แต่ทำไมความรู้สึกของลูกเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอ่าใส่ข้างแรกนี่บอกหลวมแต่ั้งที่สองบอกพอดีก็เพราะความคิดของลูกเนี่ยนะก็คือแม่เนี่ยเอาไปปรับแก้แล้วแม่ก็เป็นช่างตัดเสือเ้อนะตัดกางเกงเชื่อฝีมือแม่ พอคิดว่าแม่เนี่ยเอาไปปรับแก้เนี่ยความรู้สึกก็เปลี่ยนไปว่ากางเกงมันพอดีเลยอันนี้คล้ายๆกับเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปร้านอาหารนะร้านหานี่ชื่อดังมากนะมีลูกค้านี่เป็นร้อยเลยคืนหนึ่งคืนหนึ่ง ในริชานี้ก็เป็นขาประจำาะด้วยนั่งสักพักเนี่ยแกก็เรียกบริกรมาบอกว่าเนี่ยกากา ม, มันเย็นนะมันหนาวนะช่วยไปรีแอหน่อยไปปรับแอร์ให้มันให้มันเย็นน้อยกว่านี้หน่อยบริกรก็ครับคับ แล้วก็เดินหายไปสักพักก็กลับมานะแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงครับตอนนี้พอดีหรือยังครับลูกค้าก็บอกอืมใช้ได้แล้วที่จริงบริกรเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรนะเพราะว่าร้านเนี่ยเขามีระเบียบว่าไอการปรับแอร์เนี่ย มันไม่ใช่ในหน้าที่ของบริกรนะแต่มันเป็นหน้าที่ของช่างแอร์นะซึ่งปกติแล้วเขาก็ไม่ปรับแอร์กันเพราะว่ามีลูกค้านี่เป็นร้อยในอาคารที่เป็นโถงเนี่ยมันจะปรับแอร์ตามใจของลูกค้าคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีระเบียวว่าห้ามปรับแอร์ แต่ลูกค้าเนี่ยแต่แต่บริกรนี่เขาก็รู้ว่าถ้าไปเถียงกับลูกค้าหรือปฏิเสธเนี่ยก็คงจะมีเรื่องยืดยาวแกก็เลยนะไม่ได้แย้งไม่ได้อธิบายนะว่าร้านนี้เขาห้ามปรับแอร์แกก็เพียงแต่หายไปเฉย ส่วนลูกค้านี่เข้าใจว่าบริกรเนี่ยไปไป ร, รีแอแล้วเพราะนั้นพอบริกรกลับมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าได้มีการปรับแอร์แล้วที่เคยรู้สึกว่ามันเย็นมากไปตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอดีที่จริงอุณหภูมิมันก็เท่าเดิมแล้ว แต่ทำไมความรู้สึกของลูกค้าคนนี้เปลี่ยนไปว่าเขาคิดว่ามันมีการปรับแอร์แล้วพอแค่มีการปรับแอร์แล้วก็เลยรู้สึกว่าอากาศนี่อุณหภูมิพอดีแล้วล่ะทั้งสองกรณีมันก็ชี้ให้เห็นนะว่าไอความรู้สึกของคนเราเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นเรื่องพื้นๆเนี่ยเช่นความรู้สึกอ่อนความรู้สึก หลวมครับพอดีหรือความรู้สึกว่าอากาศมันเย็นหรือพอดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคนเราด้วยถ้าคิดว่ากางเกงปรับแก้แล้วออก็รู้สึกว่ามันพอดีถ้ารู้สึกว่าบริกรนี่ไปไปรีแอแล้วก็รู้สึกว่าอากาศนี่มันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แล้ว นอกมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องความร้อนความเย็นหรือว่าความรู้สึกว่ากางเกงมันหลวมหรือพอดีเท่านั้นนะการรับรู้อย่างอื่นคนเราเนี่ยไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคนเราด้วย หรือจะว่าขึ้นอยู่กับจิตใจก็ได้นั่นจะพูดได้ก็ได้ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้รับรู้โลกตามความเป็นจริงนะเรารับรู้โลกตามความนึกคิดของคนเราอันนี้ไม่ใช่เฉพาะความร้อนความหนาวนะความสบายความไม่สบายแต่รวมถึงความ มากความน้อยความอร่อยไม่อร่อยหรือรวมไปถึงความสุขความทุกข์ด้วยมันอยู่ที่ใจของคนเราแต่ละคนเนี่ยถ้าจะลว้ลวนๆเลยก็ว่าได้เราคิดอย่างไรนะเราก็เห็นอย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราก็รู้สึกอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งมากน้อยดีไม่ดีเนี่ยที่เราเห็น จากสิ่งรอบตัวเนี่ยจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจของเรามากเลยทีเดียวหลวงพ่อชาตนเคยพูดว่าเนี่ยไม้เนี่ยนะเช่นกิ่งไม้เนี่ยถ้าเราต้องการกิ่งที่มันยาวกว่านี้ไอ้กิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันก็สั้นถ้าเราต้องการกิ่งที่สั้นกว่านี้ ไอ้ไม้ที่อยู่ข้างหน้าเราก็ยาวความสั้นความยาวของกิ่งไม้นี่มันอยู่ที่ใจเราว่าเราต้องการยาวกว่า น, นี้หรือสั้นกว่า น, นี้ถ้าเราคาดหวังว่าเนี่ยขายของ ได้กำไร1บาทนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดได้กำไรสองบาทก็ถือว่ามากแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดหวัง10ล้านแต่ได้มาแค่5ล้าน5ล้านนี่ก็ถือว่าน้อยความมากหรือน้อยนี่ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณตัวเลขนะว่าสองหรือ5ล้าน แต่มีที่ว่าความคาดหวังหรือความต้องการคนเราแนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนเราไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าโลกรอบตัวของเราเนี่ยรวมไปถึงความสุขความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราแทบจะล้วนๆเลย พระเจ้าจึางตัด ว, ว่าเนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จได้ด้วยใจเพราว่าทําทั้งหลายนี่ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะ <c oughs> เวลาเราเศร้าเนี่ยนะเราก็เห็นทองฟ้ามันหมองมัวโรครอบตัวมันก็ดูหม่นหมองแต่ถ้าเราดีใจนะโรค บรรยากาศรอบตัวเราก็ดูสว่างสวัยดูสดชื่นผู้คนก็เบิกบานตรงข้างกับเวลาเราหม่นหมองเศร้าเนี่ยเราก็เห็นคนรอบตัวเราเนี่ยก็รลอยเศร้าไปด้วยถ้าเรากลัวเราเห็นอะไรก็ดูน่ากลัวไปหมดนะแม้กระทั่งหลกไ ม, ม้ก็นึกว่าเป็นงู เห็นเงาตอกคุ้มตอกคุมกันนึกว่าผีหรือว่าสัตว์ร้ายหรือคนที่ประสงค์ร้ายนะคอยซุ่มจ้องมองอยู่เสียงร้องของสัตว์นะก็กลายเป็นเสียงหวยหวนของผีสางนางไม้นะนั่นจะเรียกว่าใจเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ได้อันนี้รวมไปถึงว่าคิดอย่างไรเนี่ยมันก็มองเห็นอย่างนั้นนะผู้คนรอบข้างเนี่ยเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับใจของเราด้วยประภาชนสร น, นน์เนี่ยนะซึ่งเป็นผู้บริหารเวิร์กพอยต์เนี่ย เ, เล่า ว, ว่าเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะ มีเหตุให้ต้องมาสัมภาษณ์คนที่จะรับมาเป็นพนักงานของบริษัทมีอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสัมภาษณ์ผู้หญิงสองคนคนแรกเนี่ยเขาก็ถามเลยนะว่าเนี่ยที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรเธอก็สายหัวเลยก็บอกเนี่ยที่ทำงานเก่าเนี่ย มีแต่คนเล่นการเมืองเหยียบหัวกันเอาใจเจ้านายไม่มีความเอื้อเฟื้อกันเลยแถมแถงข้างหลังฟังแล้วดูมันเป็นที่ทำงานที่ไม่น่าทำเลยนะไม่กี่วันต่อมาก็ถามผู้หญิงคนหนึ่งคำถามแรกก็คล้ายๆกับ ที่ถามคนแรกนะว่าที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรเขาก็ตอบว่าเนี่ยคนที่นั่นเขาข ย, ยันกันดีนะเขามีความสมัคคีมีความเอื้อเฟื้อมีความคิดสร้างสรรค์เอาใจใส่กันเจ้านายก็กละชิด ก, กับลูกน้องเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลาน พอประภาพฟังก็ถามก็มีสีหน้าสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมจะมาสมัครงานใหม่แต่ไม่ทันถามนะอย่างนั้นก็ตอบว่าเนี่ยเธอเนี่ยบริษัทที่ทำงานตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนลักษณะาการทำธุรกิจนะซึ่งเธอมองว่าไม่ถนัดเธอก็เลยหาที่ทำงานใหม่ก็คิดว่า w ว r k ์ o เวิร์กพอยนี่แหละตรงกับความสนใจหรือความถนัดของเธอ ทั้งสองคนเนี่ยพูดถึงที่ทำงานนี่เรียกว่าแตกต่างกันอย่างฟ้ากับเหเลยนะแต่ที่น่าสนใจคือว่าทั้งสองคนเนี่ยทำงานบริษัทเดียวกันนะแต่ว่าไม่รู้จักกันมันเป็นไปได้ยังไงนะบริษัทเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยคนที่นั่นมีแต่เล่นการเมืองเยยบหัวกันเอาใจเจ้านายประจบประแจงไม่มีความ เอื้อเฟื้อแต่คนบอกว่าเนี่ยดีขยันมีความสมัคคีกันนะมีความคิดสร้างสรรค์เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรกันเจ้านายก็ดีใกล้ชิดกับลูกน้องที่ทำงานเดียวกันแต่ทำไมมองเห็นไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจ เป็นเรื่องทัศนคติเรื่องของมุมมองคนหนึ่งอาจจะมองลบนั้นก็เห็นแต่ภาพหรือด้านลบของคนรอบข้างอีกคนหนึ่งมองบวกก็เห็นแต่ด้านดีๆของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายแล้ที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะสองคนนี้นะ มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของคนทุกคนเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าะจะมีมากหรือน้อยฉะ้เวลาเรามีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรารวมทั้งผู้คนเนี่ยบางทีเราต้องกลับมาถามนะว่าเป็นเพราะใจของเราหรือเปล่า อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะว่าคนเราไม่ได้มองเห็นโลกตามความเป็นจริงแต่เรามองเห็นตามความคิดหรือความรู้สึกของเราแม้เจอสิ่งดีดแต่ถ้าครืว่ามันแย่มันก็แย่แม้เจอสิ่งที่แย่แต่ถ้าเครืว่ามันดีมันก็ดีคือเห็นแต่ด้านดีคนที่ความสุขไม่ไหวไม่ไหวเนี่ย พอไม่ไหวนะกายมันก็ไม่ไหวอะไรแล้วก็ดูไม่ไหวไปหมดแต่พอกที่าไหวนี่โอ้โหร่างกายมันคืดู้ขึ้นมาก็คงคล้ายคนที่พอหมอบอกว่าเนี่ยคุณไปรัหัวใจนะไอ้ผลที่ออกมานี่มันมันไม่ดีเลยนะเท่านี้แหละนะอ่อนเปียเพีรแรงเลย จากเดิมที่เคยเดินนะไปได้ไกลๆไปตลาดหรือว่าเดินออกกําลังกายเนี่ยเพราะว่าเดินไม่ได้เลยมืออ่อนขาอ่อนไปหมดเลยทันทีที่หมอบอกว่าเนี่ยเป็นโรคหัวใจแต่พอไมค์คนเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะตัวเลขที่ออกมานี่มันมันโอเคอยู่เรียลังกลับมาเลย นันไม่ใช่เฉพาะโลกรอบตัวที่มันขึ้นอยู่กับใจของเราในแะม้ก็ะทั่งตัวเราเองสุขทุกข์ในกายสุขทุกข์ในใจก็เหมือนกันเมื่อรู้ชันนี้แล้วเนี่ยนะนการที่เรามาหันมาสังเกตใจของเราโดยเพราะความคิดเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญบางครั้งเนี่ยเราก็ถูกความคิดมันหลอกนะ หรือความคิดก็ปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นาแล้วเราก็พลอยทุกข์ไปกับความคิดปรุงแต่งแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันความคิดของเราเนี่ยหรือความคิดที่มันอยู่ในหัวของเราแล้วก็ไม่หลงเชื่อมันเสียทีเดียวนักคือสัต่ว่าเห็นสัจว่ารู้หรือรู้เท่าทันเนี่ย มันก็บงการนะการรับรู้หรือว่าความรู้สึกของเราได้ได้น้อยลงการที่เรามาเจริญสตินะี่นะมันเป็นการฝึกให้เราได้มาหันมาดูใจของเราหันมาสํารวจความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วก็เห็นมันอย่างที่มันเป็น เริ่มต้นจากการเห็นอย่างที่มันเป็นก่อนแม้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันจะเป็นเรื่องภายในแต่ถ้าเราเมื่อเราเริ่มที่จะเห็นกายและเห็นความรู้สึกนึกคิดอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่อยากเห็นนะ้การที่เราจะเห็นโลกตามความเป็นจริงในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้การเห็นความรู้สึกนึกคิดตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือการ ดูมันโดยไม่วิพากวิจารณ์อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำว่ารู้ซื่อเนี่ยรู้ซื่อซืก็คือแค่รู้โดยที่ไม่ไปวิพากษวิจารณ์ไม่ไปตัดสินว่าดีไม่ดีอารมณ์บางอย่างเนี่ยเราเคยคิดว่ามันไม่ดีและพอมันเกิดขึ้นก็พยายามจะ ก, กําจัดมันเช่นความโกรธ ความกลัวความเศร้าความเกลียดความอิจฉามันไม่ดีเนี่ยต้องกําจัดมันต้องข่มมันอันนั้นก็อาจจะมีประโยชน์ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำขั้นต่อไปคือการที่รู้เท่าทันมันแล้วก็เห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่เรียกว่าเห็นโดยที่ไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี การที่เราเห็นมันอย่างที่มันเป็นหรือว่าการที่เรารู้ซื่อเนี่ยนะมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ใจเราเนี่ยไม่ถูกอารมณ์พวกนี้ครอบงำเพราะยิ่งเราผลักสายมันเราก็ยิ่งเข้าไปยึดติดยิ่งผลักสายยิ่งกดข่มก็ยิ่งเป็นการเสริมพลังให้กับมันเป็นการต่ อ, อยุ่ให้กับมันหรือเรียกว่าเข้าทางมันก็ได้ ยิ่งไม่ชอบนะก็ยิ่งต้องแค่วางใจเป็นกลางแล้วก็ดูมันเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ใหม่ๆเนี่ย จ, จะยังไม่เห็นขนาดนั้นแต่ว่าก็อเห็นแล้วไม่ค่อยเปเป็นเห็นแล้วไม่ค่อยเปเป็นทํำบ่อยๆเข้าก็จะรู้ว่าเออมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามีความโกรธนะแต่ เราไม่ได้โกรธด้วยมีความเกลียดแต่เราไม่ได้เกลียดด้วยมีความทุกข์เราก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยผู้หยาดคือว่ามันมีแต่ความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธมีความเกลียดไม่มีผู้เกลียดมีความทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์มันก็ช่วยทำให้ใจสงบนะสงบได้แม้ว่ามีความโกรธมีความเกลียดมีความทุกข์แต่ว่ามันไม่มีผู้เกลียดผู้โกรธผู้ทุกข์อันนี้เพราะว่าเรา เรรู้ที่จะเห็นมันอย่างที่มันเป็นหรือว่ารู้ซื่ อ, อแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะสามารถจะรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอย่างที่มันเป็นโดยที่ไม่ไปตัดสินให้ค่ามันว่าดีหรือไม่ดนะีเสียงที่เคยให้ค่าว่าดังแต่ตอนหลังเออเราก็แค่รับรู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนั้นเสียงที่เคย ให้ค่าว่าเออมันไพเราะแต่ตอนหลางเราก็รู้จักวางใจเป็นกลางเราก็ไม่ทุกข์เพราะเสียงที่เคยตีค่าว่าดังเราก็ไม่ลุ่มหลงไปกับเสียงที่เคยให้ค่าว่ามันไพเราะใหการที่เราจะมองเห็นโลกตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายถึงแม้ว่าเราจะยังเห็นสิ่งต่างๆ ต, ต, ตามตามสมมติบัญญัติ เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าอันนี้ก็เพราะใจมันมันยังอยู่ในความหลงพอใจยังถูกครอบงาด้วยความหลงด้ว ย, ยวิชาเนี่ยมันก็เห็นโลกเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาอย่างที่พูดเมื่อวานก็ยังหลงอยู่ในสมมติสัจจะแต่ว่าถ้าเรามาดูกายดูใจ เห็นความจริงของกายและใจเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าเออไอ้กายและใจหรือรูป ก, กับ น, นามก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นกระทั่งว่าเนี่ยไอ้ที่เรว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยมันก็แค่สมมุติแท้จริงเนี่ยมันไม่มีเรานะมันมีแย่รูป ก, กับนามคือเรียกว่าซอยหรือแยก ภาพตัวตนออกมาเป็นรูปกับนามเป็นกายกับใจหรือเป็นขันห้าพอเห็นความจริงแบบนี้มันก็เริ่มที่จะเห็นโลกภายนอกเนี่ยตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนมันเห็นแบบแบบรวมๆนะอย่างที่โบราณเขาว่าเนี่ยเห็นเสื้อไม่เห็นมองเสื้อไม่เห็นเห็นเสื้อไม่เห็นผ้าเห็นตุ๊กตาไม่เห็นอย่างเนี่ย ไอเสื้อนี่มันก็เป็นสมมุติที่เรียกผ้าชิ้นนี้ว่าเสื้อแต่ที่จริงมันไม่มีไอตัวเสื้อมัน ม, ม, ม่มีแต่ผ้าไอตุ๊กตาก็เหมือนกันนะมั น, ก, นก็เป็นสมมุติที่ใช้เรียกอย่างที่มาประกอบกันนะว่าเป็นตุกตต๊กตาตุ๊กตาแต่จริงตัวตุ๊กตามันไม่มีนะไอสิ่งที่ว่าตัวคนเนี่ยนะมันก็เป็นชื่อเรียก กองสังขารหรือขานนั่งห้าที่มารวมกันถ้าว่าเราไปพ้นไม่ติดยึกกับคำว่าเสือ้อเราก็จะเห็นผ้าเมื่อไม่ติดยึ ก, กคำว่าตุ ก, กตาก็เห็นอย่างเมื่อไม่ติดยึกกับตัวคนก็เห็นรูปนามเห็นกองสังขารเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถึงตอนนั้นเนี่ยพอมองโลกภายนอกมันก็จะเห็นนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของโลกรอบตัวเหมือนกัน แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะให้มารู้ทันหรือเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมาซะ ก, ก่อนถ้าเห็นตรงนั้นเนี่ยนะมันก็การที่จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งเนี่ยมันก็เป็นไปได้เอาอย่างนี้พุทธนี้นะเอากรพร